จีวรสูตรว่าด้วยจีวอนสมัยหนึ่งท่านพระมาหากสปะพักอยู่ณพระเวลวนสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขโครงราชครื้ครั้งนั้นท่านพระอานนทเทียวจาิกไปในทักคินาคีรีชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มู่ใหญ่สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสัตวิวิหาริกของท่านพระอานนท์ประมาณ30รูป โดยมากยังเป็นเด็กหนุ่มบอคืนสิกขากลับมาเป็นคราหั์ครั้งนั้นท่านพระอานนท์เที่ยวจาริกไปตามความชอบใจในทักินาคีรีชนบทแล้วกลับมายัางพระเวลุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขครุงราชครึเข้าไปหาท่านพระมหากัสปะถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรท่านพระมหากัสปะเด็กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่า ท่านอานน์พระผู้มีพระภาคทรงอาศัยอํานาจประโยชน์เท่าไรหนอจึงทรงบัญญัติการขบฉันสามหมวดในตระกูลทั้งหลายไว้ท่านฟัสปะผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยอํานาจประโยชน์สประการจึงได้ทรงบัญญัติการขบฉันสามหมวดในตระกูลทั้งหลายไว้คือ 1. เพื่อคมบุคคลผู้เกอ้อยาก 2. เพื่อความอยู่ผาสุก ข, ของเหล่าภิสุผู้มีศีลดีงาม 3. เพื่ออนุเคราะห์ตระกูลมิให้เหล่าภิสุผู้มีความปรารถนาชั่วอาศัยพักพวกทาลายสงให้แตกกันพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยอำนาจประโยชน์สประการนี้จึงทรงบัญญัติการขบฉันสามหมวดในตระกูลทั้งหลายไว้ท่านอานน์เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านเที่ยวจารีกไปกับพิษุใหม่เหล่านี้ ผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในโภชนะไม่ประกอบความเพียรเครื่องเตื่นอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเล่าท่านเห็นจะเที่ยวไปเหยียบย่ำเข้ากล้าชะรอยจะเที่ยวไปเบียดเบียนตระกูลบริษัทของท่านดูร้อยหรอลงสัตว์ที่วิหาริกของท่านซึ่งโดยมากเป็นผู้ใหม่กระจัดกระจายไปท่านนี้ยังเป็นเด็กไม่รู้จักประมาณ ท่านกัสริผู้จเจริญเส้นผมทั้งหลายบนศีรษะของกระผมหงอกแล้วก็จริงถึงกระนั้นแม้ในวันนี้ผู้กระผมก็ยังไม่พ้นจากการกล่าวว่าเป็นเด็กจริงอย่างนั้นท่านอานนท่านเที่ยวจาริกไปกับภิกษุใหม่เหล่านี้ผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในโพชนะไม่ประวับความเพียรเครื่องตื่นอยู่ท่านเห็นจะเที่ยวไปเหยียบย่าเข้ากล้า เชรอยจะเที่ยวไปเบียดเบียนตรกูลบริษัทของท่านดูร่อยหรอลงสัตว์ที่วิหาริกของท่านซึ่งโดยมากเป็นผู้ใหม่กระจักระจายไปท่านนี้ยังเป็นเด็กไม่รู้จักประมาณพิษุณีชื่อทุนละนันธาได้ยินแล้วคิดว่าทราบว่าพระอนนท์ผู้เป็นเจ้าผู้เป็นมุนีปราเปลองถูกพระคุณเจ้ามหากาสปะรุกรานด้วยการกล่าวว่าเป็นเด็ก ครั้งนั้นภิกษุณีชื่อทุนละนันธาไม่พอใจจึงเปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจว่าพระคุณเจ้ามหากศสปะเคยเป็นอัญญาเดรธีจึงสำคัญพระคุณเจ้าอานนผู้เป็นมุนีปราเปลืองว่าควรรุกรานด้วยการกล่าวว่าเป็นเด็กท่านพระมหากาสปะได้ยินภิกษุณีชื่อทุนลนันทากล่าววาจานี้แล้วลาดับนั้นท่านพระมหากาสปะ จึงได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าเอาเถอะท่านอานนท์ภิกษุณีชื่อทุนละนันธาพูดอย่างผลันผลันไม่ทันพิจารณาเพราะเราปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่รู้เลยว่าเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศศาสดาอื่นนอกจากพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น เมื่อก่อนเราเป็นขรัสได้มีความคิดว่าครวาช่างคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาปลอดโปรง่งผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวประดุดสังที่ขัดแล้วมิใช่ทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรปรงผมและหนวดนุ่งขมผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิต สมัยต่อมาเราได้ทำสังฆาติด้วยผ้าเก่าปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิเฉพาะท่านผู้เป็นพระอรหันต์ในโลกผมนั้นเมื่อบวชแล้วขณะที่เดินทางไกลได้พบพระผู้มีพระภาคซึ่งประทับนั่งอยู่ที่พหุบุตตะเจดีระหว่างกรุงราชครึกับบ้านนาลันทาครั้นพบแล้ว ผมได้มีความคิดว่าเราพบพระศาสดาก็เป็นอันพบพระผู้มีพระภาคด้วยเราพบพระสุขคตก็เป็นอันพบพระผู้มีพระภาคด้วยเราพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นอันพบพระผู้มีพระภาคด้วยท่านผู้มีอายุผมนั้นได้น้อมศีรษะลงแท้พระบาทของพระผู้มีพระภาคณที่นั้นเองกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ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 ประทานโอว่าสามประการเมื่อผมกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับผมว่ากระสปะผู้ใดยังไม่รู้จักสาวกผู้สมบูรณ์ด้วยจิตบริสุทธิ์อย่างนี้แล้วพึงพูดว่ารู้ยังไม่เห็นพึงพูดว่าเห็นแม้ศีรษะของผู้นั้นพึงแตกแต่เรารู้อยู่จึงพูดว่ารู้เห็นอยู่จึงพูดว่าเห็น เพราะเหตุนั้นแหละกระสะปะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะเข้าไปตั้งหิริและอตตะปะอย่างแรงกล้าในภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระผู้เป็นนวกะผู้เป็นมัชิมะเธอพึงศึกษาอย่างนี้เพราะเหตุนั้นแหละกระสะปะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะฟังธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประกอบด้วยขุศลจะกระทำธรรมนั้นทั้งหมดให้เป็นประโยชน์ มนัสการถึงธรรมนั้นทั้งหมดจากประมวลจิตมาทั้งหมดเนี่ยโสตดับธรรมเธอพึงศึกษาอย่างนี้เพราะเหตุนั้นแหละกัสปะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะเม่ละกายกตาสติที่ประกอบด้วยความยินดีเธอพึงศึกษาอย่างนี้พระผู้มีพระภาคทรงโอวาทผมด้วยพระโอวาทนี้แล้วเสด็จลูกจากอาสนะเหลีกไป ผมเป็นนี้บริโภคก้อนข้าวของราษฎรถึงหนึ่งสัปดาห์วันที่8อรหัตผลจึงเกิดขึ้นคราวนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จลงจากทางไปยังโคนต้นไม้แห่งหนึ่งผมจึงปูลาดผ้าสังฆาติที่ทำด้วยผ้าเก่าซ้อนเป็นสีชั้นถวายแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงประทับนั่งบนผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเถิดพระผู้มีพระภาคก็ประทับนั่งบนอาสนะที่ผมจัดถวายแล้วตรัสกับผมว่ากัสปะสังคาติที่ทําด้วยผ้าเก่าของเธอผือนนี้อ่อนนุ่มผมก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอนุเคราะห์ทรงรับสังคาติที่ทําด้วยผ้าเก่าของข้าพระองค์เถิด พระองค์ตรัสว่าเธอจากทรงผ้าปานบางสกุลของเราที่ใช้สอยแล้วหรือผมก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จากทรงผ้าปานบางสกุลที่ใช้สอยแล้วของพระผู้มีพระภาคผมได้ถวายผ้าสังฆาติที่ทําด้วยผ้าเก่าแด่พระผู้มีพระภาคและได้รับผ้าพปานบางสกุลที่ใช้สอยแล้วของพระผู้มีพระภาคมาแท้จริง บุคคลเมื่อจะกล่าวถึงคนใดคนหนึ่งให้ถูกต้องควรกล่าวว่าบุตรของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เกิดแต่อกเกิดแต่พระโอษฐ์เกิดแต่พระธรรมอันพระธรรมเนรมิตรแล้วเป็นธรรมทายาทจึงรับภพปานบางสุขุนที่ใช้สอยแล้วบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงคนนั้นให้ถูกต้องควรกล่าวกับผมว่าบุตรของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เกิดแต่อกเกิดแต่พระโอษฐ์ เกิดแต่พระธรรมอันพระธรรมเนรมิตแล้วเป็นธรรมทายาตได้รับผ้าปานบางสกุลที่ใช้สอยแล้วผมสังอัจจากกรรมและจากอากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปถมฌานที่มีวิตกวิจารบีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ตราบเท่าที่ผมต้องการผมละถึงตราบเท่าที่ผมต้องการ อนุปุพภะวิหารสมาบัติ9และอภิญญาห้ามีข้อความที่ละไว้อย่างนี้ท่านผู้มีอายุผมทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันผู้ใดสำคัญผมว่าควรปกปิดได้ด้วยอภิญญาหกผู้นั้นก็ควรสำคัญช้างเจ็ดศอก หรือเจ็ดสอครึ่งว่าจะพึงปกปิดได้ด้วยใบตาลภิกษุณีชื่อทุนละนันทาเคลื่อนจากพรหมจาร์แล้วจีวรสูตรที่11อจบ 12. ปรามมารณสูตรว่าด้วยตถาคตตายไปแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิดสมัยหนึ่งท่านพระมหากัสปะและท่านพระสารีบุตรพักอยู่ณป่าอิสิปตนมฤุกขายวันเขโครงพราราณสีครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเรนในเวลาเย็นก็ไปหาท่านพระมหากคสปะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรครั้นท่านพระสารีบุตรนั่งเรียบร้อยแล้วได้ถามท่านพระมหากัสปะดังนี้ว่าท่านกัสปะหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือท่านผู้มีอายุข้อที่ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือนี้พระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงพยากรณ์ไว้ หลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหรือแม้ข้อที่ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหรือนี้พระผู้มีพระภาคก็มิได้ทรงพยากรณ์ไว้หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือข้อที่ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือนี้พระผู้มีพระภ า, า, าคก็มิได้ทรงพยากรณ์ไว้ หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก <to> ็มีใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่หรือแม้ข้อที่ว่าหลังจากตายแล sure. ้วตถาคตเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่หรือนี้พระผู้มีพระภาคก็ไม่ได้ทรงพยากรณ์ไว้เพราะเหตุใรข้อที่กล่าวถึงนั้นๆพระผู้มีพระภาคจึงไม่ได้ทรงพยากรณ์ไว้เพราะข้อนั้นไม่มีประโยชน์ ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤตพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงไม่ได้ทรงพยากรไว้ถ้าเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพยากรไว้อย่างไรเล่าพระผู้มีพระภาคทรงพยากรไวว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัย นี้ทุกขนิโรธนี้ทุกคนนีโรธาคาม่นีปฏิปทาเพราะเหตุไรข้อนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงพยากรณ์ไว้ท่านผู้มีอายุเพราะข้อนั้นมีประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงทรงพยากรณ์ไว้ปรมามรณะสูตรที่สิบสองจบสิบสามสัทธรรมปฏิรูปะสูตรว่าด้วยสัทธธรรมปฏิรูป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 อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เมื่อก่อนสิกขาบทมีน้อยภิกษุผู้ตั้งอยู่ในอรหัตผลมีมากและอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บัดนี้สิกขาบทมีมากแต่ภิกษุตั้งอยู่ในอรหัตผลมีน้อยกระสปะข้อนั้นเป็นอย่างนี้คือเมื่อหมูลสัตว์เสื่อมลงสัตวธรรมก็เสื่อมสูญไปสิกขาบทจึงมีมากและภิกษุ ตั้งอยู่ในอรหัตผลจึงมีน้อยสัทธรรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นสัทธธรรมก็ยังไม่เสื่อมสู์ไปแต่เมื่อใดสัทธธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นในโลกเมื่อนั้นสัทธธรรมย่อมเสื่อมสู์ไปทองคาปลอมยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นทองคาแท้ก็ยังไม่หายไป และเมื่อใดทองคําปลอมเกิดขึ้นในโลกเมื่อนั้นทองคําแท้จึงหายไปชั้นใดสัทธธรรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นสัทธธรรมก็ยังไม่เสื่อมสูญไปแต่เมื่อใดสัทธธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นในโลกเมื่อนั้นสัทธธรรมย่อมเสื่อมสูญไปฉันนั้นเหมือนกันปัทวีธาตุธาตุดินทาสัทธธรรมให้เสื่อมสูญไปไม่ได้ อาโปธาตธาดน้ําเตโชธาตธาดไฟวายโยธาตธาดลมกท็ทําสัจธรรมให้เสื่อมสูญไปไม่ได้ที่แท้โมฆะบุรุษในโลกนี้ต่างหากเกิดขึ้นมาย่อมทําให้สัจธรรมเสื่อมสูญไปเปรียบเหมือนเรือจะอับปางก็เพราะต้นหนุเท่านั้นสัจธรรมย่อมไม่เสื่อมสูญไปด้วยประการฉนี้ สาเหตุที่ทําให้สัตยธรรมเสื่อมสูญเหตุไฟต่ำห้าประการนี้เป็นไปเพื่อความเลือนหายเพื่อความเสื่อมสูญไปแห่งสัตยธรรมเหตุไฟตามห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุพิกษุนีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ไม่เคารพยำเกรงในพระาศาสดา 2. ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้ไม่เคารพยำเกรงในพระธรรม 3. ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ไม่เคารพยำเกรงในพระสงฆ์ 4. ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ไม่เคารพยำเกรงในสิกขา 5. ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ ไม่เคารพยำเกรงในสมาธิเหตุฝ่ายต่ำห้าประการนี้เป็นไปเพื่อความเลือนหายเพื่อความเสื่อมสูญไปแห่งสัตยธรรมสาเหตุที่ทำให้สัตยธรรมตั้งมั่นกระสปะ เหตุห้าประการนี้เป็นไปเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความไม่เสื่อมสูญไปแห่งสัตรรมเหตุห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวิ น, นัยนี้มีความเคารพยำเกรงในพระาศาสดา 2. ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้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 มีความเคารพยำเกรงในสมาธิเหตุหประการนี้เป็นไปเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความไม่เสื่อมสูญไปแห่งสัต์ธรรมสัต์ธรรมมัปปิรูปะสูตรที่13จบกระสปะสังยุตจบบริบูรณ์ รวมพระสูตรที่มีในสังยุตตนี้คือ 1. สันตุทสูตร 2. อนโนตุตตบปีสูตร 3. จันทูปมาสูตร 4. กุลูปะกะสูตร 5. ชิ น, นสูตร 6. โอวาทาสูตร 7. ทุติยะโอวาทาสูตร 8. ตติยะโอวาทาสูตร 9. ชาณาพิญญสูตรสิบอุปัสยะสูตรสิบเอ็ดจีวรสูตรสิบสองปรามณะสูตร 13. สิบสามสัตธรรมปฏิรูปะสูตร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 กลืนกินเบ็ดที่เกี่ยวเหยือ่อซึ่งพรานเบ็ดย่อนลงในห่วงน้าลึกมันกลืนกินเบ็ดของนายพรานเบ็ดอย่างนี้แล้วได้รับทุกข์ถึงความพินาศถูกพรานเบ็ดทำได้ตามใจปรารถนาฉะนั้นคําว่าพรานเบ็ดนี้เป็นชื่อของมารใจบาปคําว่าเบ็ดนี้เป็นชื่อของลาบสักระและความสรรเสริญ ภิกษุบางรูปยินดีพอใจลาบสักระและความสรรเสริญที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุนี้เรากล่าวว่ากลืนกินเบ็ดของมารได้รับทุกข์ถึงความพินาศถูกมารใจบาปทำได้ตามใจปรารถนาะภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณเผ็ดร้อนหยาบคายเป็นอันตรายต่อการบรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะ ซึ่งไม่มีทำอื่นยิ่งกว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจากละลาบสักระและความสรรเสริญที่เกิดขึ้นลาบสักระและความสันเสริญที่เกิดขึ้นแล้วจากไม่ครอบงาจิตของเราทั้งหลายตั้งอยู่เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้พลสิสูตรที่สองจบ กลุมมสูตรว่าด้วยภิกษุติดลาบสักระและความสันเสริญเปรียบเหมือนเต่าถูกเชือกมัดพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เคกระรงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสันเสริญเป็นสิ่งทารุณและถึงต่อการบรรลุธรรมเรื่องเคยมีมาแล้วมีตระกูลเต่าใหญ่อาศัยอยู่ในห้วงน้าแห่งหนึ่งมานานครั้งหนึ่ง เต่าตัวหนึ่งเข้าไปหาเต่าอีกตัวหนึ่งถึงที่อยู่พูดว่าพ่อเต่าเจ้าอย่าได้ไปยังท้องถินนั้นนะเต่าตัวนั้นได้ไปยังท้องถินนั้นแล้วถูกนายพรานยิงด้วยลูกดอกลำดับนั้นเต่าตัวที่ถูกยิงเข้าไปหาเต่าตัวนั้นถึงที่อยู่เต่าตัวนั้นได้เห็นเต่าตัวที่ถูกยิงกำลังเดินมาแต่ไกลจึงถามว่าพ่อเต่าเจ้าไม่ได้ไปท้องถินนั้นหรือพ่อเต่า ฉันได้ไปท้องถิ่นนั้นมาแล้วพ่อเตา่าเจ้าไม่บาดเจ็บไม่ถูกทุบตีดอกหรือฉันไม่บาดเจ็บไม่ถูกทุบตีแต่ฉันมีเชือกเส้นหนึ่งติดหลังมานี้เต่าตัวนั้นกล่าวว่าเอาเถอะพ่อเตา่าเจ้าไม่บาดเจ็บไม่ถูกทุบตีก็ตามเถิดแต่บิดามารดาปู่ย่าตายายของเจ้าได้รับทุกถึงความพินาศเพราะเชือกเส้นนี้แหละ ไปเดี๋ยวนี้เจ้าไม่ใช่พวกของเราแล้วคำว่าพรานนี้เป็นชื่อของมารใจบาปคำว่าลูกดอกนี้เป็นชื่อของลาบสักระและความสันเสริญคาว่าเชือกนี้เป็นชื่อของนันทิราคะภิกษุบางรูปยินดีพอใจลาบสักรและความสรรเสริญที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุนี้เราเรียกว่าได้รับทุกถึงความพินาศ เพราะลาบสักระและความสันเสริญอันเปรียบเหมือนลูกดอกถูกมานใจบาปทำได้ตามใจปรารถนาภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสันเสริญเป็นสิ่งทารุณละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้กุมมะสูตรที่สจบ ทีฆะโลมิกสูตรว่าด้วยภิกษุติดลาบสักระและความสันเสริญเปรียบเหมือนแกะขนยาวถูกน้ําเกี่ยวพระผู้มีประภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสรนเสริญเป็นสิ่งทารุณและถึงต่อการบรรลุธรรมเปรียบเหมือนแกะขนยาวเข้าไปสู่พงน้ํามันพึงติดถูกน้ําเกี่ยวเกาะ ได้รับทุก์ถึงความพินาดในที่นั้นๆอุปมานิฉันใดอุปไม้ข้อฉันนั้นภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ถูกลาบสักระและความสันเสริญครอบงำย่ำยีจิตเวลาเช้าครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทอย่างบ้านหรือนิคมเธอติดข้องถูกปัดใจเกี่ยวกะได้รับทุกถึงความพินาดในที่นั้นๆ ภิกษุทั้งหลายลาบสกระและความสันเสริญเป็นสิ่งทารุละถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ที่คะโลมิกสูตรที่สจบ ระกสูตว่าด้วยภิกษุติดลาบสัการะและความสรนเสริญเปรียบเหมือนมแมลงวันกินคูดพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลาบสัการะและความสรนเสริญเป็นสิงทารุณละถึงต่อการบรรลุธรรมเปรียบเหมือนมแมลงวันกินคูดเต็มท้องและเปื้อนคูด และข้างหน้าของมันยังมีคูดกองใหญ่มันยังดูหมินมแมลงวันเหล่าอื่นว่าเรากินคูดเต็มท้องและเปื้อนคูดเรายังมีคูดกองใหญ่อยู่ข้างหน้าอีกอุปมานิฉันใดอุปไมค์ก็ฉันนั้นภิกษุบางรูปในธรรมวิ น, นัยนี้ถูกลาบสักระและความสันเสริญครอบงำย่มยีจิตเวลาเช้าครองอันตรวาสกุก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 และยังจะได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพสัชบริขารอีกส่วนภิกษุเหล่าอื่นมีบุญน้อยมีศักดิน้อยจึงไม่ได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพสัชบริขารเธอถูกลาบสักระและความสรรเสริญครอบงำเย่ยมยีจิตจึงดูหมิ่นภิกษุเหล่าอื่นผู้มีศีลเป็นที่รักการกระทําของโมคคบุรุษนั้น เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เพื่อทุก์ตลอดกาลอนานภิกษุทั้งหลายลาบสกระและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณและถึงอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้มีละหกะสูตรที่หจบ